บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัญหาของมนุษย์สิทธิพราหมณ์ภาวีที่ได้มากราบคุนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกราบมาแล้วโดยลำดับนั้นเจนว่าโดยหลักใหญ่แล้วก็จะเป็นคมถามที่มุ่งผล การปฏิบัติขั้นสูงสุดเพราะท่านเหล่านั้นเป็นนักบวชที่มุ่งความหลุดพ้นจากความทุกข์ในชั้นต่างๆธรรมะที่ทรงแสดงจึงเน้นไปในด้านนี้โดยเฉพาะแต่ในขณะเดียวกันการศึกษาปฏิบัติธรรมะผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะก็จะต้องมองให้เห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วสิ่งทั้งหลายนั้นจะอยู่ในโครงสร้างอย่างเดียวกัน ทำนองคล้ายๆกับร่างกายของเราประกอบด้วยดินน้ำลงไฟอากาศโลกทั้งปวงก็ประกอบด้วยดินน้ำลงไฟอากาศแต่ว่าปริมาณก้อนดินน้ำลงไฟอากาศที่อยู่ข้างนอกก็ต้องม า, มากกว่าที่กายเราเพราะว่าโลกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลแต่กายกายเรามีเนื้อที่จํากัดองค์ประกอบหลักก็คงเจอเหมือนกันธรรมาเหล่านี้จึง ช่วยผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้รับผลในชั้นนั้นๆข้อที่ท่านถามก็ดีข้อที่พระพุทธเจ้าทรงตอบก็ดีจะมีลักษณะเป็นปริยายคือในยะนั้นๆตรียสอบครองกับลักษณะปัญหาประการหนึ่งสอบคองกับลักษณะขึ้นเพอัธยาศัยของผู้ฝังประการหนึ่งแต่เป้าหมายนั้นก็คงจะมุ่งให้เกิดความสุขความสงบแก่ผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ปัญหามานุษย์ท่านต่อไปนั้นคืออุทยะมนุษย์ mm hmm. เรือจะพูดเป็นไทยว่าอุทยท่านได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ต้องการคําตอบปัญหาจึงมหาพระองค์ผู้ประทับอยู่ผู้มีชาญผู้ได้บรรลุชาญเสรษฐกิจ ที่จะต้องประพฤติกรรมไม่มีอาสวะเข้าถึงฝั่งแห่งธรรมะแล้วขอพระองค์ได้โปรดบอกโปรดสัตว์บอกอัญญาวิโมกแก่ข้าพระองค์ข้อนี้เพื่สังเกตว่าตัวคำถามนั้นได้มุ่งผลสูงสุดที่ท่านใช้คำในที่นี้ว่าอัญญาวิโมก แต่พื้นฐานสําคัญคือจุดมุ่งหมายในการมาของท่านท่านมาโดยจุดมุ่งหมายที่จะให้พระพุทธเจ้าแก้ไขปัญหาให้ในการมานั้นเป็นการมาด้วยความเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าแต่พระคุณเหล่านั้นที่จําแนกแสดงออกมาในรูปโบหันอีกในยะหนึ่งที่ว่าสมงบรรุชาญจบพรหมจรรย์ เป็นผู้เข้าถึงฝั่งแห่งธรรมต่อถึงนิย่าอินๆนั้นเป็นการเชื่อเห็นถึงการยอมรับนับถือในพระคุณของพระพุทธเจ้าการหมดสิ้นอาสวะก็ดีการบรรลุฌานก็ดีเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งก็หมายความว่าท่านเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า การข้ามฝั่งแห่งธรรมะคือเข้าถึงฝั่งแห่งปณิพา น, นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงท่านเชื่อมั่นในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าและการที่ท่านขอให้รูเจ้าจัดบอกอัญญาวิโมกแก่ท่านแสดงถึงความเชื่อมั่นในพระมารครนาของพระพุทธเจ้าพื้นฐานเหล่านี้จึงกลายเป็นพื้นฐานหลัก ที่แต่ละท่านซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นได้แสดงให้ปรากฏว่าตัวท่านเองนั้นไม่ได้มีความเคลือบแคลงสงสัยในองค์พระพุทธเจ้าเพราะว่าในส่วนของพระคุณบทใดบทหนึ่งก็ตามแต่ปัญหาที่ท่านต้องการจริงๆก็คือความรู้ที่จะทำตนของท่านเองให้ได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้รับมาแล้ว องธรรมที่นํามาสันเสริญพระพุทธเจ้าในข้อหน่งนั้นสุดมากก็มักพบมาแล้วในตอนก่อนแต่มีข้อที่ควรทําความเข้าใจในยะหนึ่งก็คือเรื่องของคำว่าผู้มีมีชา้นชานนั้นมีความหมายหลายชั้นด้วยกันความหมายที่เป็นส่วนเหตุก็เน้นทั้งหลักการประพฤปฏิบัติของบุ กันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกบราลีใช้คำว่าอารมณูปนิชชานในการตั้งสติเพ่งดูอารมณ์เป็นเครื่องกำหนดระลึกเพื่อให้จิตใ จ, จของบุคคลผู้ปฏิบัติเกิด ค, ความส ง, งบอยู่ในอารมณ์หล่านั้นอยู่ที่อารมณ์หลักนั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือการมีสมาธิในการทำงานในการประกอบภารกิจของตน จนถึงกับการบำเพ็ญสมถะกรรมฐานซึ่งแต่ละขั้นตอนนั้นก็มีลักษณะของฌานคือเพ่งพินิจอยู่ในเรื่องเหล่านั้นโดยมุ่งให้จิตมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวเพื่อให้เกิดความสงบการปฏิบัติในชั้นนี้โดยพื้นฐานแดบหยาบโทั่วไปอาจจะอาศัยการท่องการสาธยายการไหว้พระสวดมนต์การเจริญสมถะกรรมฐานก็ได้ข้อหนึ่ง ก็ชื่อว่าเป็นการเจริญฌานในส่วนเหตุฌานในส่วนเหตุอีกข้อหนึ่งท่าเรียกว่าลัคนูปนิชาติคือการยกสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองถ้ามาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาพิจารณาเจาะให้ลึกลงไปจนถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นสภาวะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้น ง, งานการศึกษาวิชาการทางโลกที่มีการวิเคราะห์วิจัยศึกษาสืบสาไปจนถึงต้นต่อของสิ่งเหล่านั้นได้ปัจจัยประกอบของสิ่งต่างๆถึงว่ากันตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นหลักทางการศึกษาที่มุ่งให้บุคคลเรียนรู้สิ่งนั้นๆอย่างถ่องแท้แล้วหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นการมองในแนวนี้เพื่อต้องการหาประโยชน์นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองได้ระดับใด และต้องการจะใช้ประโยชน์ในระดับใดก็ น, นี้เพิ่งสังเกตว่าโดยหลักการศึกษาค้นคว้าแล้วการมองเห็นสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวพิจตนนั้นคือไม่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงเป็นแต่การเกาะกลุ่มของสสารวัตถุทั้งหลายที่สรุท่านสรุปรวมว่าเป็นรูปกระนามนั้นก็ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแม้ในสมัยก่อนพุทธกาล แต่เกิดขึ้นแล้วปัญญาของบุคคลนั้นไม่มีกำลังมากพอก็ใช้ไปในทางลบเช่นใช้ไปในทางที่ฆ่ากันไม่บาปเป็นต้นก็เรียกว่าเลยจุดของมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไปแทนที่กิเลสจะสงบหรือ ง, งับก็กลับเพิ่มบาปขึ้นตัวการจึงไม่ได้อยู่ที่สิ่งซึ่งเขาพิจนิตพิจารณาแต่ปัญหาสาคัญอยู่ที่ เครื่องมือในการพินิษพิจารณาว่ามีกำลังมากพอขนาดไหนแตกว่ากำลังของปัญญาน้อยไปผลก็จะออกมาในลักษณะอย่างนั้นได้แต่ถ้ากำลังของปัญญามีมากพอก็จะเกิดปล่อยวางความยึดจิตในสิ่งเหล่านั้นลงไปได้บางการปฏิบัติในชั้นนี้ในเชิงเหตุก็คือวิปัสสนากรรมฐานแต่กรรมฐานที่ ใช้ปัญญาพิจิตรพิจารณาจนเกิดความเห็นแจ้งถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นแต่ความเห็นแจ้งที่จัดเป็นวิปัสสนาได้ก็ต้องอาศัยการมองเห็นจริงตามหลักของไตรลักษณ์คือไม่เชื่องเป็นทุกเป็นหนาตาและถือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามหลักของไตรลักษณ์ได้อีกก็ต้องมีการลดชวนแห่งกิเลสลงไป ลดตัณหาคือความทยานอยากลงไปลดมานะคือความถือตัวถือตนลงไปลดทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้แต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องตรวจสอบจิตใจของบุคคลได้ว่าสิ่งที่ตนเข้าใจหรือสิ่งที่ตนปฏิบัตินั้นเกิดผลอย่างถูกต้องหรือไม่ผลจากการปฏิบัติธรรมะจะมีการตรวจสอบกันเองในกลุ่มของธรรมะเอง จำนองเดียวกับบุคคลที่ทำงานวิเคราะห์วิจัยต่างๆที่มาทดลองยารักษาโรคผลจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องเอาไปกระจัดบำบัดโรคของผู้ป่วยดูแต่ผลเกิดขึ้นได้จินั้นจริงก็แสดงว่ายานั้นใช้ได้แต่ถ้ า, าว่าผลไม่เกิดตามนั้นก็แสดงว่าตัวยามีปัญหาหรือคนป่วยอาจจะมีปัญหา การมองปัญหาจึงต้องมองทั้งสองด้านดังนั้นการวางธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงออกไปเป็นอันมากการดิดแสดงธรรมะออกมากเพราะคนฟังมีปัญหาคือคนหนึ่งอาจจะใช้ปินิพพิจนาอย่างหนึ่งได้แต่คนหนึ่งก็อาจจะพิจนาอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ทีนี้จากการฌานปฏิบัติฌานในเป็นส่วนเหตุนี่เอง ก็คอยเกิดฌานที่เป็นส่วนผลขึ้นมาที่เราเรียกว่ารูปฌานบ้างอะรูปฌานบ้างในส่วนของการเพ่งพินิษพิจารณาทําใจของตนให้สงบที่เราเรียกว่าสมถกรรมาฐานบ้างอารามาโนปนิชฌานบ้างนั้นก็จะออกผลเป็นความสงบความตั้งมั่นแห่งจิตใจที่มีความประนีตขึ้นไปโดยลําดับที่ท่านเรียกว่าเป็นรูปฌานสี่ คือบางทีคำที่เป็นภาษาบาลีเราก็มองว่าเป็นเรื่องยากไปเฉยๆนั่นเรียกว่าปฐุมไม่ฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุติฌานที่จริงก็แปลว่าที่หนึ่งที่2ที่สามที่4เท่านั้นเองเกินเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปมีความส ง, งบมีความประนีตขึ้นไปโดยลําดับแล้วก็มีความเชื่อมโยงจากเหตุเบื้องต้นอยู่นั่นเอง ก็ใคล้ๆก็ว่าเราเรียนหนังสือสูงขึ้นไปจนถึงเป็นยาเอกแม้จะหลายเป็นยา ก, ก็ตามแต่เชื่อมโยงกับพยัญชนะนคือกขคที่เรียนมา น, นัในตอนต้นนั่นเองไม่ใช่ว่าแยกออกไปเด็ดขาดจากสิ่งเหล่านั้นแต่อย่างจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการแลกกันหมายความว่าถ้าพื้นฐานเบื้องต้นมีอยู่ผลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าพื้นฐานเบื้องต้นไม่มีผลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ ฌานเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบนิวรณ์ที่เรียกว่ากิเลสซึ่งเกิดขึ้นกรุ้มรุมใจตามองค์ฌานนั้นนั้นหรือมิตกที่เป็นกุศลธรรมเมื่อบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบตีนัมิทะคือความโม่วงเหงาหานอนลงไปวิจารณ์เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่สงบวิจิกิชาคือความเครื่อแกร่งสงสยัยอิติเมื่อเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบความพยาบาท มีอยู่ภายในใจความสุขเมื่อเกิดขึ้นจะทําหน้าที่สงบอุทตจักขุกุจักหมดความฟุ้งซ่านรําคาญแล้ววิจิกิจะเอกกตาคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทําหน้าที่สงบกรรมะฉันและความสงบนั้นเองก็จะมีความเปลีปล่ยนแปลงประณีตลงไปโดยลําดับจนถึงพขั้นที่สี่แล้วก็มีเฉพาะอุเบกขาซึ่งเป็นลักษณะของปัญญา ในเชิงเพ่งพินิษ์พิจารณาแล้วก็จิตใจที่ตั้งมัน่นค้อนนี้จะเห็นได้ว่าจิตใจนั่นประณีตแล้วงานก็เริ่มจะประณีตขึ้นตอนผลฌานต่อไปก็ออกมาในรูปฌานประเภทที่สองคือเป็นผลของฌานประเภทที่สองที่เรียกว่าลักขณูปนิฌานคือการพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายต้องก็เรียกไปตามชื่อเรียกว่า สุญญาตาอนิมิตตาอปนิหิตะาเกิดสํานวนบาลีใช่ไหมเเป็นสํานวนบาลีแต่ว่าเมื่อเรามองจากสํานวนบาลีก็จะเกิดความเข้าใจในลักษณะของธรรมะเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนขึ้นคือตัวพยัญชนะที่อธิบายความหมายเหล่านั้นก็ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นตามคล้อยตามได้ ซึ่หมายความว่าด้วยผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการพินิษพิจารณาแยกแยะสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความจริงแล้วจิตใจของบุคคลก็เริ่มเปลี่ยนจากความเคยหลงเคยยึดเคยจิตด้วยอำนาจความจําบ้างด้วยอำนาจความคิดบ้างด้วยอำนาจความเห็นบ้างก็แล้วแต่ว่าจะลึกขนาดไหนที น, นี้จะเห็นว่าความยึดติดด้วยอำนาจความจํานั้น โยคล้อนได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราป้อนข้อมูลใหม่ให้ความจําก่ใหม่แกก็เลิกความคิดแต่นั้นได้แต่ขนาดความคิดก็จะยากหน่อยเพราะมันกินลึกตรงไปภายในจิตใจแล้วถ้าหากว่าเป็นความเห็นคือทิฏฐิก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกคือจะแก้ยากจะถ่าย ถ, ายถอนได้ยากแต่เพราะความไม่ประลาดคือเห็นคลาดเคลื่อนจากความจริงมีอยู่ในจิตใจของบุคคลแต่ ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีวิธีการเป็นอันมากเพื่อค่อยๆตัดรอนความยึดติดในลักษณะเหล่านั้นออกไปก็คล้ๆจะโคนไม้ใหญ่มันก็ค่อยๆโค่คนไปมัจจะนิ่งๆจะไปทำอะไรปุบปับได้ดังนั้นหลักการในทางาศาสนาก็จะพบว่าตั้งแต่เบื้องต้นมาแล้วไม่เราจะไปแตะที่ตรงไหนก็ตาม แม้แต่เรื่องของอาหารที่รับประทานเข้าไปก็มีทั้งส่วนการเพ่งดูลักษณะและเพ่งดูอารมณ์เหล่านั้นคือเพ่งดูอาหารเหล่านั้นเพื่อให้ใจสงบอยู่แล้วก็พิจารณาถึงอาหารเหล่านั้นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าปูพื้นฐานของกรรมาฐานมาตั้งแต่ต้นแล้วในกรณีของผู้นั้นต้องการปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นก้อนี้พึงสังเกต ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะดูคนก่อนสอนธรรมเห็นว่าคนเล่วนี้จะไปได้สูงสุดขนาดไหนก็จะสอนอยู่ในแวดวงนั้นแต่ในกรณีที่ผู้ต้องการบรรลุผลเบื้องสูงขึ้นไปก็จะเริ่มปูพื้นฐานแล้วก็เดินเข้าสู่ความส ง, งบประนีตไปโดยลำดำับเจ้าการสอนแลพิจารณาอาหารถ้าเห็นว่าอาหารเนี่ยเป็นของปฏิกรล เป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยเป็นเพียงสักด์แต่ว่าธาตุเท่านั้นเนี่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นขอนว่างเปล่าก็นี้จะเห็นว่าการคิดมองอาหารในแนวนั้นตอนต้นจะมองในแง่ที่เป็นธาตุเฉยๆนั่นก็คืออารมณ์ของสมถกรรมฐานที่เราเรียกว่าจะตูธาตุวัฐานคือธาตุสีมองเห็นเปียงเป็นเพียงธาตุสเท่า น, นั้น ข้าวเม็ดหนึ่งนั้นก็ประกอบไปท่าสี่ประกอบดินน้ำลงไฟลักษณะที่เด่นของเม็ดข้าวก็คือท่าดินแต่ในขณะเดียวกันความเป็นท่าดินก็มีท่าน้ำลงไฟแฝงอยู่อาหารแต่ละคําก็ประกอบดินน้ำลงไฟอากาศการ ใ, ใจของบุคคลมีความส ง, งบอยู่ในที่นั้นก็เป็นกรรมาฐานในพื้นฐานเบื้องตน้น แล้วก็มองไปจนถึงว่านิสสัตโตนิชีวะสุนโดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของว่างเปล่าทีจริงก็คือเจริญวิปัสสนาไปแนละ้วแต่ก็ไม่เอาเต็มรูปแบบเป็นการค่อยๆซอะค่อยๆกัดค่อยๆขัดกราค่อยๆขูดไปเพราะกิเลสนั้นจับใจมากเกินจนกลายเป็นอานสวะเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องร้อยรัดก็แล้วแต่ที่จะสงใช้เห็นว่าแกก็มีอยู่มาก แต่นิ่งๆจะไปเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือนั้นทําได้เฉพาะบุคคลบางพวกซึ่งมีอยู่จํานวนน้อยเท่านั้นเองประเภทที่ทรงสดแสดงว่าเป็นดอกบัวเหนือน้ำํำคนส่วนใหญ่มังก็เป็นประเภทที่พอจะต้องอธิบายขยายความแห่งธรรมะเหล่านั้นจึงเข้าใจได้จะต้องใช้เวลาในการอบรมบ่มนิ ส, สัยฝึกปลือกันไปไเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่วิธีการแล้วมันก็มุ่งไปสู่เป้าเหล่านี้ แม้แต่ในชั้นศีลก็มุ่งไปหาป้าวต่อนี้องพิ่งสังเกตว่าในชั้นศีลแล้วก็มุ่งที่จะให้เกิดความส ง, งบในส่วนห ย, ยาบหยาบคือหยาบกายในส่วนกายกับวาจาซะก่อนแต่การที่กายวาจาส ง, งบได้ก็แสดงกิเลสมันต้องส ง, งบลงไปถ้ากิเลสไม่ส ง, งบลงไปกายวาจาก็ส ง, งบไม่ได้อย่างน้อยก็ส ง, งบอยู่ในจุดที่คุมกายวาจาไม่ให้ขนองกายไม่ขนองวาจา สงใจคำว่าสันตะกายโยสันตะวาโจมีกายสงบมีวาจาสงบคนนีการตรวจสอบพิจารณาธรรมนั้นจะต้องมองย้อนกลับมาตนบางครั้งรู้สึกว่ากระสรับกระส่ายห ล, ลุกลิกนั่งอยู่เป็นทิ้งลองตรวจสอบดูใจในขณะนั้นว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและเราจะเห็นสาเหตุของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในในการนั่งฟังอบรมกรรมฐานนั่งฟังเทศใจเราอาจจะไม่สงบแต่าอาจจะกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่างกาย จ, จะปวดเมื่อยพระอาจจะเทศนานไปแต่ จ, จะฟังไม่รู้เรื่องหรือเป็นห่วงใจในการงานอยู่ใจมันก็วิ่งออกไปจากเรื่องที่กําลังทําพอวิ่งกายมันก็ขยับเค ย, ยื e n t บางครั้ง วาจาก็เปลี่ยนแปลงไปคือพูดออกมาเป็นต้นแต่ถ้ามองกลับลงไปก็จะเห็นว่าตัวการนั้นก็อยู่ที่ใจนั่นเองใจแกไม่ยอมส ง, งบจนจุดที่จะคุมกายวาจาได้กายวาจาก็เปลี่ยนแปลงไปแต่การปฏิบัติทุกขั้นตอนก็มุ่งมาที่นี่แต่ที่นี้พอมาถึงมองในเชิงลักษณะที่เรียกว่าลัคนุปนิชานคือเพ่งดูลักษณะผลที่เกิดขึ้นจากการเพ่งดูหรือวิธีการเพ่งดู เรียกว่าอนิมิตะบางทีท่านใช้คำว่าสมาธิบางทีท่านใช้คำว่าฌานบางทีใช้คำว่าวิโมกอันนี้ก็ไม่ต้องไปติดใจเพราะว่ามันเป็นช่วงๆ ช, ช่วงของฌานนั้นก็คือการพินิษพิจารณาให้เห็นในแง่ของความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่เรียกว่าหานิมิตหาเครื่องหมายไม่ได้เอาอะไรเป็นของแน่นอนจริงๆไม่ได้ สิ่งทั้งหลายนั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวอยู่ตลอดมาจจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างอื่นมันก็หวังอะไรไม่ได้แล้วก็หวังไม่ได้อย่างนั้นเองแม้ในเรื่องอื่นๆเช่นว่าขอให้เราอยาได้เจ็บไข้อย่าได้ปวดเมื่อยอย่าได้พลาดพาลาดจะได้สวญเสียพี่น้องอย่าตายทรัพย์สมบัติจะเสื่อมไปตำแหน่งหน้าที่การงานจะเสื่อมไปเป็นต้นมันก็หานิมิดกําหนดหมายอะไรไม่ได้ ก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนกันอยู่ตลอดนี่คือการมองในแนวของอนิจจตาคือเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเป็นอย่างนั้นเองจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาวเท่านั้นนี่ก็คือการพิจารณาในแนวนี้ทีนี้ถ้าจิตหลุดพ้นไปได้ท่านก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอนิมิตตวิบากคือจิตหลุดพ้นจากการพิจารณาเห็น สัตว์และสังขารหรือเห็นขันห้าหรือเห็นนามารูปก็ตามก็แล้วแต่จะพูดพึงเข้าใจว่านี่เป็นความหลากหลายของถ้อยคําเฉยๆเราจะใช้นามารูปก็หมายถึงขันห้าใช้ขันห้าก็หมายถึงนามารูปใช้สัตว์สังขารทั้งหลายก็หมายถึงขันห้าที่สรุปรวมเป็นนามารูปบางครั้งก็อยู่ที่การใช้ถ้อยคําให้คนซึ่งฟังในขณะนั้นๆก็เกิดความเข้าใจแต่โดยทั่วไปแล้ว พระเจ้าจะมักใจสงใช้คำสรุปเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยปรุงแต่งเพื่อเพราะต้องการมองภาพเต็มที่เลยท้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการมองสังขารในแง่ของสยลักษณ์นั้นไม่ได้มองเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตแต่มองแม้แต่สิ่งซึ่งไม่มีชีวิตท้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า การเข้าไปกําหนดหมายการเข้าไปยึดถือการไปถือครองไขว้ว้าปรารถนาอยากได้ในสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้อยากได้เฉพาะสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวแต่ก็อยากได้แม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตเพราะการเรียนรู้ผ่าถ่ายถอนกิเลสออกจากจิตซึ่งเป็นเหตุที่ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเรียนรู้หมดทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่ท่านเรียกว่าทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็ถ่ายถอนความ อย่าน้อยก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างต้องเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้ให้เบาบางลงไปบ้างเพราะไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการไม่ต้องดูอื่นไกลว่าอาบน้ําแล้วก็ให้สะอาดอยู่ตลอดไปมันก็ไม่สะอาดกินข้าวอิ่มแล้วก็ต้องการให้อิ่มตลอดไปมันก็ไม่อิม่มตาเราที่แจ่มใสดีแล้วก็ขอให้แจ่มใสยอย่า ง, งานั้นตลอดไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นก็เห็นอยู่ทุกวัน เห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเสื้อผ้าริดใช้สวยงามประเดี๋ยวก็ยับแล้วนั้นก็คือตรอยลักษที่สอนบุคคลอยู่ทุกขณะดื่มน้ําไปหน่อยหนึ่งไม่นานทรายก็เกิดกระหายน้ําก็แสดงมไม่เที่ยงความอิ่มเองมันก็ไม่เที่ยงเสื้อผ้าที่รีดเรียบร้อยมันก็ไม่เที่ยงอาหารที่รับประทานเข้าไปก็ไม่เที่ยงร่างกายเราเองต้องการใช้นั่งนิ่งนิ่งมันก็ไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็ดูกันใน รอบรอบตัวแต่ข้อสําคัญว่าจะต้องเห็นความจริงตามนั้นเรียกว่ายัางไงย่งไรเรียกว่าเห็นความจริงท่านใช้ครวิญญาณทัศนะคือรู้เห็นหมายความว่าเป็นความรู้เห็นที่เกิดขึ้นจากปัญญาการจะไปสอบพิสูตรว่ารู้เห็นจริงหรือไม่ก็ต้องดูที่จิตใจจะต้องปล่อยวางการ ต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการให้เป็นอย่างนี้ในสัตว์สังขารน้อยลงหน่อยอย่างน้อยก็ต้องน้อยลงหน่อยไม่ใช่ว่ายังยึดถืออยู่เหมือนเดิมยังต้องการให้เป็นให้มีอยู่เหมือนเดิมขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดจะได้เป็นอย่างนี้เลยนี่คือถ้าใจยังเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่เห็นความเห็นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจโดยสูตรหลักเดิมที่บอกว่าเมื่อความรู้ความเห็นซึ่งเป็นลักษณะของปัญญาบังเกิดขึ้นนั้นกิเลสจะต้องจางลง ต้องลดลงต้องผ่อนต้องคลายต้องละต้องสงบต้องระ ง, งับต้องดับไปตามสมควรแก่ขั้นตอนคือปริมาณของความรู้เห็นที่บังเกิดขึ้นในตอนต่อไปท่านก็เรียกว่าสุญญาตาฌานบ้างสุญญาตาสมาธิบ้างสุญญาตาวิมุตต์บ้างสุญญาตาวิโมกข์บ้างก็เรียกเป็นขั้นตอนเหมือนกันแต่ในชั้นนี้ก็พูดในแง่ของฌานก็หมายถึงการมองให้เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลาย เป็นเดิมนั mm ่นเองแต่มองให้เห็นในแง่ของความเป็นอนัตตาคือไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอะไรและไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรที่การยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานั้นก็เป็นเรื่องของความยึดถือที่คลาดเคลื่อนจากความจริงอย่างแท้จริงไม่ใช่คลาดเคลื่อนจากความจริงอย่างขั้นสมมตินะเป็นความคลาดเคลื่อนจากความจริงอย่างแท้จริงในชั้นของปรมาจารย์ พอแท้จริงสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรอย่างแท้จริงแล้วเมื่อย่อยออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยมีสักแต่วะธาตุสักแต่วะขันสักแต่วะธาตุสักเตวา่ตวตวาวอาญตนะแล้วอาจจะย่อยออกไปเป็นอนุปรมนูอย่างที่เข้าใจกันชีวิตของเรานั้นเริ่มมาจากศูนย์ คูอไม่มีอะไรแล้วเราก็เริ่มมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นแล้วก็เริ่มมีในส่วนตัวเราก่อนตั้งแต่ปฏิสนธิในคันมารดาเรื่อยมาจะออกมานอกครนมัก็มีอะไรขึ้นมาเรื่อยเรื่อแล้วพออายุมากข้าวเราก็เริ่มไม่มีข้าสู่ความไม่มีสิ่งที่เคยมีกลับไม่มีกลับเปลี่ยนแปลงไปเรี่อยแรงเคยมีกลับน้อยไปผมที่เคยมีกลับเปลี่ยนแปลงไปสติปัญญาอะไรต่อะไรต่างๆที่เคยมีในช่วงกลางๆมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็กลับเข้าสู่ความไม่มี กลับเข้าไปอยู่ในโกรธเข้าไปอยู่ในหิบเสร็จแล้วเข้าไปอยู่ในเตาต่อนน้นก็เข้าไปอยู่ในโหลนิดๆในหน่นนนอยในโกรธสำหรับเก็ บ, เ ก, บเก็บกระดูกเล็กน้อยแล้วก็ในที่สุดมันก็หมดไปดินก็คืนสภาพสูด่ดินน้ําคืนสภาพสู่น้ําลมคืนสภาพสูล่ลมไฟคืนสภาพสู่ไฟก็ยังคงมีเชื้อคือกิเลสกรรมที่เป็นตัวสร้างปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณต่อไปถ้าก็ยังมีกิเลสอยู่ ความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นเรือ่องปณญญาตาสมาธิมองให้เห็นในแง่ของความทุกข์คือหาที่ตั้งไม่ได้หาที่ตั้งให้หวังว่าจะให้ให้เรามีความสุขมีอายุยืนอย่ากพี่น้องของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะสิ่งต่างหลายมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดที่ดํารงรักษาสภาพเดิมของตัวเองไว้ได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่แม้ขณะที่นั่งอยู่นี้ก็ถูกแผดเผาด้วยทุกเวทนาปวดเมื่อยปวดเ ข, ข่าปวดแข้งปวดขา บาทีก็อาจจะมืดงงในด้านศีลศากเป็นต้นก็แสดงเห็นว่ามีความทุกข์กัดกร่อนอยู่ตลอดหานิมิถาที่ตั้งหาเครื่องหมายอะไรไม่ได้มีการแผดเผาก่อให้เกิดความเลวร้อนด้วยประการต่างๆได้ความรู้ความเห็นเหล่านี้ที่จะจัดว่าเป็นเป็นชาในชั้นนั้นๆได้ก็ต้องผ่อนคลายในลักษณะของความขว้คว้าด้วยความรู้สึกจากได้ หรือความยึดถือในฐานะความมีความเป็นของตนที่มีอยู่จนบางครั้งก็รุนแรงออกไปจนถึงกการดูเป็นบุคคลอื่นและทิฏฐิในชั้นหยาบหยาบคือความถือรันต่างๆหรือทิฏฐิในชั้นที่เป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาตลอดถึงทิฏฐิในความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยจะ ต, ต้องมีความเจือจางบบาบางลงไปมานสามารถคิดทาเป็นต้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้เพราะทิฏฐิมันลดลงไป ความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาลดลงไปแต่ถ้าพวกนี้ไม่ลดสามาัคคีธรรมเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นทรงสมบูรณ์ด้วยฌานทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่บนเส้นทางสายนี้บุคคลสามารถดำเนินตามพระองค์และสัมผัสผลได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นความเป็นพุทธะของบุคคลเหล่านั้นก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นตามสมควรกับการประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไป เราก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป